เรื่องพรามสองสามีภริยาเรียกพระพุทธเจ้าว่าลูกพระศัสดาเมื่อประทับอยู่ในอัญชนาวันที่เมืองสาเกตทรงปราบรคพรามสองสามีภริยาดังได้สดับมาเมื่อครั้งพระพุทธเจ้าเสด็จเมืองสาเกตเพื่อบินธบามีภิกษุสอ์แวดล้อมพรามเท่าชาวเมืองสาเกตคนหนึ่ง พบพระศัสดาระหว่างทางจึงมอบลงแทบพระบาททั้งสองแล้วจับที่ข้อพระบาทพลางกล่าวว่าธรรมดามารดาบิดาอันลูกพึงประคบประงมในการแก่ชราเหตุไรจึงห่างเหินกันสิ้นกาลนานเพียงนี้ขอพระองค์จงเสด็จมาเยี่ยมบ้างดังนี้แล้วพาไปสู่เรือนฝ่ายนางพรมามณีก็กล่าวทํานองเดียวกับพราหมสามี แล้วเรียกให้บุตรธิดาของตนถวายบังคมด้วยคำว่าพวกเจ้าจงมาจงถวายบังคมพระพี่ชายสองสามีภริยามีใจยินดีถวายพัตนาหานภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเป็นนิสเมื่อไม่มีกิจนิมนต์ที่อื่นย่อมทรงทาพัตกิจที่เรือนของพราหมณ์นั่นแลฟังธรรมอยู่ตลอดการเป็นนิสบรรลุอนาคามิผลแล้ว ศรสสดาทรงตรัสบุรพาก ร, รมของพราหมณ์สองสามีภริยาเรียกเราว่าบุตรโดยความที่พระองค์เคยเกิดเป็นบุตรของพราหม์สองสามีภริยานี้สิ้นสามพันชาติพราหม์เคยเป็นบิดาเป็นอาเป็นลุงของเรา 1,500 ชาติแม้พราหมณ์นี้ก็เป็นมาดาเป็นนา้าเป็นป้าของเรา 1,500 ชาติ แล้วทรงภาสิทธิพระคาถาว่าใจย่อมจดจอ่อแม้จิตก็เลื่อมใสในบุคคลใดเขาย่อมสนิทสนมในบุคคลนั้นซึ่งตนไม่เคยเห็นโดยแท้อันความรักนั้นย่อมเกิดเพราะอาศัยเหตุสองประการอย่างนี้คือพระการอยู่ร่วมกันในการก่อนหนึ่งพระการเกื้อกูลกันในปัจจุบันหนึ่งเปรียบเหมือนดอกบัวเกิดในน้า เพราะอาศัยน้ำและเปลือกตมฉะนั้นพระศัสดาทรงอาศัยตรกูล น, นั้นอุปถาคสิ้นไตรมาสฝ่ายพราหม์ทั้งสองบรรลุอรหัตและปรินิพานชนทั้งหลายทำสกราระใหญ่แล้วก็ยกทั้งสองคนขึ้นสู่เรือนยอดหลังเดียวกันนั่นแหละนำไปแล้วพระศัสดามีภิกษุห้าร้อยรูปเป็นบริวาร เสด็จไปยังป่าช้าพร้อมกับชนเหล่านั้นเหมือนกันทรงตรวจดูอัธยาศัยชนเหล่านั้นแล้วทรงตรัสชราสูตรชีวิตนี้น้อยนักสัตว์ย่อมตายหย่อนหรือแม้กว่าหนึ่งรปีแม้หากผู้ใดเป็นอยู่เกินไปกว่าหนึ่งรปีผู้นั้นย่อมตายเพราะชราโดยแท้ในการจบเทสนา ธรรมาพิสมัยได้มีแก่สัตว์8 4 0 0แล้วภิกษุทั้งหลายไม่ทราบความที่พราหมณทั้งสองปริณิพานจึงทูลถามพบหน้าของพราหมณ์นั้นข้อนี้เป็นเรื่องน่าคิดว่าพราหม์สามีภริยานั้นแม้ไม่ได้บวชก็ปริณิพานได้อย่างไรหรือว่าปริณิพานขณะทารรกาละคือตายเรื่องนี้คือปกติ ผู้ที่สำเร็จอรหันจะต้องบวชนะครับถ้าไม่บวชจะมีอายุอยู่ได้เพียงเจ็ดวันเพราะว่าร่างกายของคารวาดนั้นด้วยศีลด้วยองค์ประกอบต่างๆนั้นไม่สามารถรองรับคุณธรรมขั้นสูงสุดได้ต้องบวชก่อนเท่านั้นแต่ในกรณีนี้น่าจะบรรลุอรหัสขณะดับจิตสุดท้ายนั่นเองพระสัสดาตรัสว่ามุนีเหล่าใดเป็นผู้ไม่เบียดเบียน สำรวมแล้วด้วยกายเป็นนิดมูนีเหล่านั้นย่อมไปสู่ฐานะอันไม่จุติซึ่งเป็นที่คนทั้งหลายไปแล้วไม่เศร้าโศกอธิบายว่ามูนีเหล่านั้นย่อมไปสู่ฐานะอันไม่จุติความว่ามูนีผู้เป็นอรหันตบุคคลได้แก่พระอรหันต์ผู้ไม่เกิดอีกเป็นฐานัง คือฐานะที่ยั่งยืนอันไม่กำเริบย่อมไปสู่ฐานะคือพระนิพพานในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิพลเป็นต้นดังนี้แหละ